มิลินทปัญหาของกรมศิลปากรมิลินทปัญหาปัญจมวัคเวทะคูปัญหาที่หกถามว่า สภาวะที่จะกำหนดเวทคูมีอยู่หรือว่าหาไม่ได้ราชาสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดีมีพระราชองค์การถามพระนาคเสนว่าพันเตนาคเสณนะข้าแต่พระนาคเสนผู้เป็นเจ้าสภาวะอันใดจะกำหนดว่าเวทคูรู้โดยปกตินั้นหาได้อยู่หรือประการใดพระนาคเสนจิงวิสัชนาแก้ไขว่ามหาราชา ขอถวายพระพรบอพิษพระราชสมภารสภาวะอันจะ ก, กำหนดว่าเวทคูนั้นปรมัดเถนะถ้ากล่าวโดยปรมัติแล้วก็หาไม่ได้สมเด็จพระบรมัตษิ์มิลินทราชก็สิ้นกังขาตรัสว่ากัลโลสิพระผู้เป็นเจ้ากล่าวสมควรแล้วเวทคูปัญหาเป็นคํารบหกจบเท่านี้